นวันนี้หลวงพ่อก็ตั้งชื่อเรื่องว่ามีอะไรที่ยังไม่รู้อืมตรงเนี้ยก็มีมีหลายอยู่แหละที่ยังไม่รู้ง ม, มีหลายอยู่เพราะบางทีสมมติว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองอ่ะว่ามีอะไรมั่งที่เราไม่รู้มันก็จะได้คําตอบว่าที่เราไม่รู้เช่นว่าที่สุดแห่งทุกข์ไปถึงไหนอยู่ที่ไหนนิพพานที่เขาว่านิพพานเนี่ยบรมมาสุกอะ มันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงมันอยู่ไกลไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้หมดเลยแต่ก็ปฏิบัติไปเพื่อที่จะให้รู้นะปฏิบัติไปเพื่อจะให้ถึงแล้วก็มีอะไรอีกที่ยังไม่รู้ถ้าพูดถึงเรื่องทางโลกโลกเนาะโอ้โหมหาศาลเลยสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยสาขาวิชาต่างๆที่เราไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาล ร, ระบบ ดินฟ้าอากาศระบบสุริยะจั ก, กรวาลโอ้โหที่เราไม่รู้มีมากมายมหาศาลแต่สิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นไม่จำคือมันเหมือนกับว่าจาเป็นแค่เพื่ อ, อทำมหากินนะเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าจะเราเรียนให้รู้ให้หมดเนี่ยก็แปลว่านับชาติไม่ท้วนเกิดเวียนเกิดเวียนตายเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะรู้ได้หมด แต่ทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยมันไม่ใช่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายท่านบอกว่าให้เราเนี่ยกลับมากลับมาเรียนรู้ที่กายยาววานาคือเห็น ไ, ไหมเนี่ยแคบลงแล้วกลับมารู้ตัวเองนะรู้ที่กายรู้ที่ใจนะเมื่อกลับมารู้ตัวเองรู้ที่กายที่ใจแล้วเนี่ยก็เรียนรู้มันนะเรียนรู้มันว่า มันเป็นยังไงอ่ะกายนี้จิตนี้เนี่ยเออมันเป็นยังไงใช่ไหมอย่างที่เราได้ยินได้ฟังก็บอกว่าอ๋อเรียนรู้มันเพื่อให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมีความแปรปรวนมีมีเกิดมีเกิดมาแล้วก็ต้องเสื่อมไปหายไปจิตใจก็มีความแปรปรวนเกิดมาแล้วก็ดับไปหายไปนี่วิธีการเรียนก็คือเรียนเห็นความจริงของกายของใจว่ามันมีความเป็นอย่างเนี้ย คือเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ทีนี้ถ้าเราหลงไปเราไม่ได้เรียนรู้เรียนไม่ได้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยเขาเรียกว่าหลงละไปเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวซึ่งมันเป็นเรื่องของโลกโลกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะสู่ความพ้นทุกข์เพื่อความหลุดพ้นเนี่ยมันต้องมีคือกลับมาเรียนรู้ที่กายที่ใจเท่านั้นต่อให้เราเรียนรู้เรื่องประวัติพระพุทธเจ้า นะก็ไม่อาจที่จะพน้นทุกข์ได้เพราะว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าคือเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ใช่เรื่องกายเรื่องใจของเราแล้วก็สมุิว่าเราเรียนพระไตรปิฎกไปอ่านไปจาไปท่องมาได้หมดเท่ากับว่าเราก็ไปรู้ในพระไตรปิฎกมันไม่ได้รู้เรื่องกายเรื่องใจมันก็พน้นทุกข์ไม่ได้หรือ เราเนี่ยจะไปเรียนรู้เรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องชีวิตของคนนั้นคนนี้รู้มากเลยเรื่องของคนอื่นรู้มากเท่าไหร่ก็ดับ מכ, ทุกพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะไม่ได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองนอันนี้นะเราได้หลักแล้วนะทีนี้แยกกันแยกกันก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของเพื่อความพ้นทุกต้องกลับมาเรียนรู้ตัวเองแต่ถ้าเรื่องของทางโลกก็ต้องรู้คนอื่นบ okay. ้างรู้อะไรบ้างพอเท่าที่พอที่จะ เ อ, อ, อยู่ได้พอที่จะทํามาหากินได้เอออย่างเราเรียนหนังสือทางโลกเนาะเรียนหนังสือเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงชีวิตนีก็เรียนมาเช่นเรียนออระดับหาอะไรก็มออีสาขาของวิชาต่างๆเมื่อได้ความรู้แล้วเอาความรู้นั้นมาประกอบอาชีพทํามาหากินแล้วก็ได้เงินเดือนอก็มีเข้ากินอันนี้ก็เรียนมพอประมาณ เอาละ ว, วันนี้ก็หลวงพ่อก็จะเน้นในเรื่องของเรียนรู้กายรู้ใจนะเพราะว่ามันเป็นชั่วงโมงของการสนทนาธรรมะ เ, เราไม่ได้สนทนาในเรื่องที่เป็นโลกโลกพอมารู้กายรู้ใจมันต้องเริ่มต้นที่สตเิเริ่มต้นที่สติต้องมีสติก่อนสติคือระลึกได้ระลึกได้ระลึกได้อะไรระลึกได้มาที่กายที่ใจว่า อ, อ๋อกายมีอยู่ ตัวเราเนี่ยตอนนี้ตัวเรามีอยู่แล้วก็ระลึกได้ถึงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็เพียงระลึกได้แบบนี้บ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นความจริงของกายของใจเองนะมันแสดงมันแสดงความจริงให้เห็นมันเห็นอยู่แล้วถ้ามีสติเนาะมันเห็นก็คือเห็นตามที่ที่มันมันเป็นอย่างไงก็เห็นเป็นอย่างนั้ น, นเมื่อเห็นแล้วเนี่ย มันเรื่องของจิตใจแล้วถ้าใจยอมรับความจริงกับกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในกายเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยยอมรับได้ใจก็จะไม่ทุกเลยใจก็จะไม่ทุกเลยเช่นเวลากายเจ็บกายปวดกายป่วยนะแต่ใจมันมีฉลาดแล้วมันมีปัญญาแล้วว่าอ๋อเกิดมามันก็ต้องประสบกับสิ่งพวกนี้อ๋อมันเข้าใจมันเข้าใจคือใจมันมีปัญญามันเข้าใจแล้วมันไม่ยึดถือมันได้แต่รู้ ความเป็นไปของกายใจก็เลยหลุดพ้นคือไม่มีความทุกข์กับกายเลยกายมีทุกข์ก็คือมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีอะไรก็แล้วแต่แต่ใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์นี่แหละเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราเพื่อให้หลุดพ้นก็คือเป็นใจที่ไม่ทุกข์ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันก็มีความก็เรียกว่ามันก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกข์เช่นไม่ทุกข์จาก อะไรนะเหตุการณ์ต่างๆที่มันลงในใจอ่ะเช่นใจไม่ส ง, งบเนาะใจไม่ส ง, งบเลยเนี่ยถ้าใจไม่มีปัญญาใจก็จะหลุดหนดกับความไม่ส ง, งบเพราะใจอ่มันยังมีกิเลสยัง ม, มีตัณหามันก็อยากได้เห็นแต่สิ่งที่มันส ง, งบพอพอมีอาการเกิดขึ้นในใจที่เป็นความไม่ส ง, งบใจที่ยังมีอวิชามันก็เกลียด เกลียดสิ่งพวกนั้นแหละแล้วก็ไอตัวเกลียดนี่แหละทำให้ใจมันเป็นทุกข์เองแต่ถ้าใจมีปัญญามันเห็นความจริงว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอะ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่จรมาจรมาจรไปจรมาจรไปไม่ว่าอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในใจมันเป็นสิ่งที่จรมาจรไปใจไม่เดือดร้อนอะไรด้วยใจได้แต่รู้เห็นตามความเป็นจริงของการจรไปจรมาอย่างนี้ใจก็ไม่ได้ทุกข์อะไรใจก็ได้แต่ รู้แจ้งอยู่นั่นแหละว่าเอออะไรผ่านมาในใจก็รู้ก็เห็นนี่ใจก็เลยไม่ทุกข์พอใจไม่ทุกข์นี่ไงก็คือสูตรที่พระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราว่าเออความไม่ทุกข์ก็คืออย่างนี้แล้วก็ไม่ทุกข์ที่ใจด้วยเนี่ยจริงๆสูตรมันมันก็ไม่ใช่เยอะนะไม่ใช่เยอะแต่สิ่งที่ต้องทำให้มากคือต้องมีสติให้เห็นจนแบบ เห็นตามความเป็นจริงอยู่เนืองๆ อ, อยู่บ่อยๆบ่อยๆจนกร็ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะจนกระทั่งใจยอมรับได้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นแหละเออจะไปหยุดจะไปห้ามอะไรก็ไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นจเป็นเช่นนั้นใจก็เลยไม่ทุกนั้นอ่ะสุดท้ายคือจบลงตรงที่ใจไม่ทุกคือเวลาปฏิบัติเนี่ยหรือไม่ปฏิบัติก็คือปัญหาก็คือใจเรามันเข้าไปทุกข์อะค่ะหลวงพ่อ แล้วแม้แต่ว่าเราปฏิบัติเราก็ยังทุกข์เพราะการปฏิบัติได้นะคะหลวงพ่อตรงนี้ค่ะมันแล้วแล้วจริงๆแล้วมันอะไรคือปัญห า, อาของความทุกข์อะคะหลวงพ่อปัญหาก็คือความเ็าเรียกว่ายังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่ายัางเข้าใจผิดเนาะ ยังเข้าใจผิดในหนทางของการปฏิบัติแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกเนี่ยที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นปัญญาใจจะไม่ทุกข์จริงๆหลวงพ่อต้องพูดในเรื่องของสัจจา ก, ก่อนเนะว่าความทุกข์เนี่ยมีอยู่จริงนะธรรมชาติที่เป็นทุกข์เนี่ยมีอยู่จริงธรรมชาติประเภทนี้คืออย่างไงบ้างธรรมชาติที่เป็นทุกข์คือธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นคือเกิดแล้วปรากฏแล้วพวกนี้ยจัดเป็นธรรมชาติฝ่ายทุกข์ เพราะเมื่อเกิดแล้วจะต้องเสื่อมไปจะต้องดับไปไม่ว่าจะเป็นอาการแบบไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดแล้วอันนี้จัดว่าเป็นเป็นสภาวะทุกข์ทั้งหมดเลยนะส่วนสภาวะที่ไม่ทุกข์เลยก็มีจริงเหมือนกันนะสภาวะที่ไม่ทุกข์ก็มีจริงมีจริงก็คือสภาวะแบบไหนที่เรียกว่าไม่ทุกข์ก็คือสภาวะที่ไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิดเห็นไหม มันจะตรงข้ามกับสภาวะที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วแต่สภาพที่ไม่มีทุกเนี่ยมีอยู่จริงคือเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดและไม่ปรากฏแต่ทีนี้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันมีแต่สิ่งปรากฏใช่ไหมเท่าที่เรารู้จักเนี่ยเช่นร่างกายตอนนี้ก็เกิดมาแล้วมันก็ปรากฏในร่างกายมันมีความเจ็บความปวดความเมื่อยมันก็เป็นสิ่งปรากฏ ในจิตใจอาการต่างๆความสุขบ้างความทุกข์บ้างความเฉยๆบ้างความนิ่งบ้างอันเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยมันเป็นพื้นเป็นสิ่งที่รองรับสิ่งที่ไม่ปรากฏซึ่งมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าปัญญาคือยังไม่เข้าใจสองสิ่งนี้พอไม่เข้าใจสองสิ่งนี้ก็เลยไปเกลียดไปชังกับสิ่งที่ปรากฏไปเกลียดไปชงังคือถ้าปรากฏแบบนี้ไม่ชอบ ปรากฏแบบนี้ชอบเนี่ยเห็นไหมมันไปเกลียดไปชังแล้วก็เกิดความกิเลสตัณหาอุปาทานคือไปยึดถือมาเป็นชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาแต่ถ้าเข้าใจอย่างเจีมแจ้งก็คือมีแต่อะไรปรากฏก็คือรู้แล้วว่าสิ่งนั้นปรากฏแล้วมันก็ดับไปอ่าใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่เกิดเนี่ยย่อมไม่มีการดับย่อมไม่มีการอะไรเลยแล้วธรรมชาติสองสิ่งเนี้ยหลวงพ่อตั้งชื่อนะเพื่อให้เข้าใจวันก่อนก็เคยพูดไปแล้ว สิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นไม่ใช่ใจใจเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดแล้วไม่ปรากฏได้แต่รู้ใจเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดแต่ได้แต่รู้รู้อะไรก็รู้สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรปรากฏใจก็รู้เมื่ออะไรปรากฏใจก็รู้แต่ nada, ใจเป็นสภาพธรรมะที่มีความรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่ดับ แต่ใจไม่ได้เกิดและไม่ดั บ, ด, ด, บด้วยใจมีแต่การรู้แจ้งแต่ทีนี้เนื่องจากว่าการปฏิบัติเนี่ยมันยังมีความเป็นตัวตนนะยังมีความเป็นตัวเราอยู่พอมีมีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเราเนี่ยเรานี่แหละก็ปรารถนาแต่สิ่งดีๆนะสิ่งดีๆก็ถูกใจก็จะเอาจะเอามายึดถือไว้สิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็ผลักใส่ไว้ไอันนี้คือความเป็นตัวเรา แต่ถ้าความเป็นของธรรมชาติความเป็นใจนะสมมุติว่าเป็นใจไม่มีตัวเรานะใจก็ได้แต่รู้ว่าอะไรเกิดแล้วอะไรดับแล้วอะไรเกิดแล้วอะไรก็ดับแล้วใจได้แต่รู้ใจจึงไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นธรรมชาติจริงๆอะความทุกข์ก็มีที่ไม่ทุกข์ก็มีแล้วที่ไม่ทุกข์สิ่งนั้นเขาเรียกว่าใจแต่ทีนี้ด้วยตัวเรานี่แหละไม่เข้าใจมันมีตัวตนไม่เข้าใจธรรมชาติสองสิ่งก็เลยก็เลยมีปัญหาตรงนี้ แต่ทีนี้ที่เราฝึกเราปฏิบัติที่เราเรียนธรรมะก็เพื่ออะไรเพื่อถอดถอนความเห็นผิดนะเห็นผิดยังไงเห็นผิดว่ามีตัวเราแต่ถ้าเห็นถูกเห็นถูกว่ายังไงก็เห็นถูกว่าธรรมชาติมีสองฝ่ายคือฝ่ายเกิดฝ่ายดับกับฝ่ายที่ไม่เกิดไม่ดับแค่นั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครอ่าเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องอบรมต้องฝึกฝนจะว่ายากไหมอ่ะเพื่อที่จะถอดถอนว่าไม่มีตัวเราก็คงก็ยากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่ายก็แล้วแต่บุญบาตรมีที่สร้างสมเอาไว้นะมันเป็นกรรมเป็นอะไรที่ที่สะสมกันมาบางทีกรรมบางฟังไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจาสมมติก็มีหรือว่ากรรมน้อยฟังธรรมะหน่อยเดียวก็เข้าใจได้อันนี้ก็สามารถที่จะทนถูกได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องคุยกันพูดกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดปัญญานะปัญญาจากการฟัง เมื่อมีปัญญาแล้วก็เอาปัญญาจากการฟังเนี่ยไปพิจารณาแล้วก็นําไปปฏิบัติจริงขั้นปฏิบัติจริงก็คืออย่างนี้เลยในชีวิตประจําวันเลยโยมชีวิตประจําวันเนี่ยอะไรที่ปรากฏในกายเนี่ยก็มีสติรู้หัดรู้เข้าไว้หัดรู้เข้าไว้ต่อไปมันก็จะได้สักแต่รู้เองว่าอ๋อสิ่งเนี้เกิดเองดับเองนะมันสักแต่รู้ไปเองเกิดเองดับเองสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นใจได้เลยคือรู้แล้วรู้แล้วแต่ใจไม่ได้ยึดถือสิ่งใด คือรู้แล้วรู้แล้วเจ็บก็รู้แล้วปวดก็รู้แล้วแต่ใจมันได้แต่รู้ใจไม่ได้ยึดถือมาเป็นสิ่งนั้นมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแล้วก็ความเป็นตัวเราก็เรียนจนถึงขั้นที่ว่าเข้าใจแล้วว่าตัวเราไม่มีนะมันไม่มีตัวเรามีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับอ่านอกจากสิ่งเกิดสิ่งดับแล้วก็เป็นความไม่ปรากฏแค่นี้เองพอพอเห็นช่องทางไหมเอาเป็นความเข้าใจไปก่อนเนาะส่วนไอ้นู้นก็อีกขั้นตอนหนึ่งค่ะก็กล่าบ ข, ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ครับคือจเรนฐานของพ่อฮะพอดีผมผมอยากค่องใจกับเออผมอ่านว่าได้อ่านคือบอกว่าเออเวลาพระเจ้าตัดไว้ว่าเออจะเข้าพระนิพพานเน่ยต้องต้องมาที่ฌานสี่แล้วก็จากฌานสี่นมเข้าไปในพระนิพพานเนี่ยอย่างนี้ถ้าเรารู้ตัวแบบนี้ฮะมันมันจะอธิบายเรื่องของการเข้าฌานสี่แล้วเข้านิพพานยังไงครับหลวงพ่อครับคือไอ้ตรงคําอธิบายมันก็เป็นความรู้ของผู้ที่ฝึกชาญเนาะ ผู้ที่ฝึกฌาผู้ที่เข้าฌานออกฌานเป็นเมื่อท่านรู้เนี่ยท่านก็มามาบอกหรือว่ามาเขียนเป็นตำรามาแต่เราเนี่ย<แ>เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นเนาะคนนั้นก<ช>็มีความรู้แต่เรายังไม่มีความรู้คนนั้นคนนั้นจึงได้แต่บอกแผนที่ว่าเออวิธีเข้าฌานออกฌานเนี่ยทำยังไงมันก็เป็นลาดับไปใช่ไหมล่ะเออแต่การการที่เรารู้ความรู้ของคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกเพราะเหตุว่าอะไร เพราะว่าเป็นการรู้นอกตัวแต่สิ่งที่พ้นทุกข์ได้คือกลับมารู้ตัวเราตัวเราคือใครอ่ะเมื่อกี้ตัวเราคือคนถามใช่ไหม ใ, <ช>ให้รู้จักตัวเรารแล้วก็พอรู้จักตัวเราก็คือคนที่ถามปัญหานี่ไงตัวเราแล้วมองต่อไปว่าไอคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยถามแล้วเนี่ยมันหยุดหยุดถามแล้วยังหรือหยุดเป็นช่วงแล้วก็ถามใหม่หยุดเป็นช่วงแล้วถามใหม่ถ้าพบว่าอ๋อคาถามเนี่ยมันปรากฏเฉพาะเวลาพูดออกไป พอพูดเสร็จมันก็ดับไปพอพูดเสร็จมันก็ดับไปก็จะเห็นว่าไอ้คาถามเนี้ยจริงๆมันก็เป็นสิ่งเกิดดับมันก็ไม่ใช่เราการกลับมาเห็นสิ่งนี้เนี้ยตัวเนี้ยมันจะพ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะเห็นถูกต้องว่าการที่มีการถามครั้งหนึ่งแล้วก็ดับครั้งหนึ่งถามครั้งก็ดับครั้งมันก็เกิดดับทียิบเลยไอ้สิ่งเกิดดับเนี้ยก็เป็นแค่สิ่งปรากฏมันไม่ใช่เราหัดเห็นตรงนี้บ่อยๆแล้วก็จะชํานาญเองว่าสุดท้ายก็กลับมาเรียนตัวเราอยู่ดีแล้วก็จะรู้ว่า แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่สังขารเกิดดับตรงนี้เป็นทางที่ชัดเจนแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็จะเ อ, อ่อเขาเรียกว่าเรียนความรู้ของคนอื่นแต่ไม่กลับเข้าหาตัวเลยพอไม่กลับหาตัวเสร็จแล้วมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้ดิเพราะว่าเราจะเอาความรู้จากเขาเนาะครับ ตรงนี้เข้าใจไหมเคลียร์ไหมก็ <_ p itch> เข้าใจฮะเข้าใจหลวง <_ p itch> พ่ออีกคำหนะรับอตอนนี้ตอนนี้เรารู้ว่าใจเราเราเร า, เรามีใจอยู่นะครับตรงที่ตัวใจเนี่ยจะเข้าเข้านิพพานนฮะรู้ว่าตัวใจนี้เป็นวินวิญญาณธาตุตัวหนึ่งใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ <_ p itch> อันนี้เวลาเรารู้ตัวแล้วนะกลับมาดูตัวแล้วนะ ร, รู้ว่าเรากลาังเนี่ยกำลังผ ม, ผมกำลังพูด ก, กับหลวงพ่ออยู่ครับดังนั้นก็รู้ตัวนี้แต่นี้เราฝึกไปเรื่อยเจนทั้งว่า เออเราจะรู้ว่าไอ้ตัวที่เราพูดนี่เป็นสังขารทั้งหมดนีนะครับแม้แต่แม้แต่ที่ผมพูดอยู่อ่ะผมก็จะรู้ตัวว่าเออผมกําลังพูดกับหลวงพ่ออยู่อ่ะฮะตอนนี้คือผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องฝึกไปเรื่อยๆจนเกิดความเอ่อความความควานาญนะฮะความชำนาญนะฮ ะ, ะ, ฮะไปเรื่อยๆจต่สุดท้ายตรงนี้ฮะตัวที่รู้อ่ะตัวตัวที่เป็นใจตัวที่เขาเรียกกันเพาเป็นผู้รู้เป็นใจไปตัวเนี้ยมันจะหลุดพ้น เอ่อยังไงหรือว่ามันมันอัตโมติกไปเลยเลยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปรู้มันเป็นประ จ, จตตังเองคาหลวงพ่อครับก็หลวงพ่อก็กลับมาที่เดิมก็คือว่าเมื่อกี้ก็ถามถามแล้วก็หยุดเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมอ่าใช่ใชแต่ใจเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแต่ใจรู้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อขณะที่ถามแล้วรู้แสดงว่ามีใจเป็นผู้ ร, ร, ร, รู้พอถามครั้งหนึ่งใจก็รู้พอถามครั้งหนึ่งใจก็รู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยใจกับคําถามเนี่ยคือมันแฝดกันหมายความว่าพอถามปั๊บใจรู้พอถามปั๊บหนึ่งใจรู้ใจเป็นความไม่ปรากฏแต่มีความรู้ส่วนคําถามเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เกิดดับคําถามจึงไม่ใช่ใจถูกไหมคําถามจึงไม่ใช่ใจแต่ใจเนี่ยมันไม่ได้ถามใจได้แต่รู้ใจเนี่ยถามอะไรไม่ได้เพราะถ้าถามเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ใจแล้วมันเป็นสิ่งเกิดแล้วก็สิ่งดับเนี่เกิดดับเพราะฉะนั้นการทําความเพียรเนี่ยที่บอกว่าเพียรรู้เพียรรู้ก็คือเพียรรู้แบบนี้ แล้วก็จะรู้จักทั้งสิ่งเกิดดับและก็รวมจะรู้จักสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือใจนั่นเองซึ่งมันมีอยู่ในแค่ปัจจุบัน น, นะตัวนั้นยมถามได้ทุกครั้งแต่ก็ให้พึงรู้ว่าโ อ, อเวลาถามปับ๊บอ่าเกิดแล้วเกิดอะไรก็คือเกิดปากขยับเกิดคําถามขึ้นมาเนาะนแล้วก็ใจมันก็รู้นี่ว่าถามไอตรงที่รู้ว่าถามเนี่ยไม่ใช่เรารู้ว่าเราถามแต่ต้องให้เข้าใจว่าไอที่รู้ว่าถามนะ่ยคือใจแต่ถ้า ถ้าถ้าเราพูดแล้วเรารู้ว่าเราเราพูดอันนี้มันยังมีเรารู้เราอยู่เออมันยังเรารู้เราเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ด้วยใจก็คือว่าอ๋อใจมันไม่ใช่เราแต่ใจอมันรู้เราได้เราถามมันก็รู้เราเราอยู่ถามมันก็รู้เราถูกไหมใจเนี่ย ค, คือเป็นธรรมชาติที่รู้เราเราที่เคลื่อนไหวเราที่กระดุกกระดิกเราที่มีการปรุงแต่งนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้ารู้เราบ่อยๆจริงๆไอเราตรงเนี้ยหลวงพ่อเป็นคําพูดสื่อสารเนี่ยแต่จริงมันไม่ใช่เรา แต่เพื่อเชื่อเห็นว่าเวลาถามเวลาถามมันก็คือก็เราแหละถามเป็นภาษาอภาษาสมมติกันครับเอพอยมถามปั๊บเห็นไหมพอถามปั๊บมันรู้ได้นี่เนาะใช่ไหมรู้ฮะรู้ครัฮอพอรู้ได้เสร็จแล้วพอพอหยุดถามลองดูสิพอหยุดถามมันก็รู้ได้นะว่าหยุดแล้วพอถามใหม่เออมันก็รู้อีกว่าว่าถามเพราะฉะนั้นไอ้ถามหยุดถามหยุดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดแล้วแล้วก็ดับไปดับไปทุกทุกครั้งที่ถามส่วนใจเนี่ยมันไม่ได้ถามไง ใจเป็นเป็นบ้าอยู่มันนิ่งอยู่มันเป็นบ้าอะใจมันไม่พูดอะไรทักคำหนึ่งไม่หรอกไงมันได้แต่รู้เห็นอย่านี้ว่าเรากําลังถามกันอยู่ตอบกันอยู่อะฮะก็อย่างนี้ฮะตอนนี้เราต้องฝึกเรืยเรื่อยๆครับมันจะมีตัวยุติไหมหรือว่าอันอันนี้ก็มีตัวละแต่ว่ามันจะรู้เองฮะว่าอันนี้เราคืออย่างนี้ผมก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งวันเลยเพราะว่าผมก็จะมีการโต้ตอบกับบุคคลข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรู้คุยกับใครหรือว่าเดินอยู่เนี่ยผมก็รู้ตัวว่าอ้าผมกำลังเดินกำลังโต้ตอบเนี่ยแล้วเราจะ เออจำเป็นต้องแบบว่าต้องรู้ตัดเลื่อนขึ้นได้ผมก็จะรูอย่างเงี้ยฮะอันนี้อันนี้ถูกไหมฮะหรือว่าไม่ต้องต้องดูตลอดเวลาเงี้ยมันก็จะเครียด น, นะฮะคื อ, ค, ค, อคือถ้าดูตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีเอาตัวเราเป็นผู้ตั้งดู oh, เป็นเป็นผู้ตั้งดูเหมือนกับว่าตั้งเอาไว้เนี่ยเครียดแน่นอนเพราะว่ามันตั้ง oh. ดูแต่ถ้าการรู้ด้วยใจเนี่ยมันไม่มีการตั้งคือมันจะรู้ของมันเองมันจะรู้ของมันคือไม่ใช่เราตั้งไม่ใช่เรารู้ซึ่งมันจะรู้เอง แล้วทีนี้เวลามันรู้เองเนี่ยเท่ากับว่ามันก็เบาอวิถีิเพราะว่ามันไม่มีการตั้งนี่ไม่มีการตั้งรู้ใช่ไหมถึงคราวรู้มันก็รู้ถึงคราวไม่รู้ก็ก็รู้ว่าไม่รู้ไงเห็นไหมล่ะมันมันจะรู้รอบตอนตอนที่รู้ใจก็รู้ว่ารู้แต่พอไม่รู้มันก็รู้ว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใจมันรู้รอบคือโหรู้ก็รู้ไม่รู้ก็รู้เพราะฉะนั้นเน่ยใจมันก็เป็นธรรมชาติที่รับรู้ได้อยู่แล้วซึ่งมันไม่มีการปรากฏตัวใจไม่เบี่ยวกฎปฏิทิยาอะไรเลย O, วันนั้นเนี่ย<อ><อ>เวลาโยมถามเห็นไหมเราเราเราไม่ตอบตรงโน้นแต่ว่าให้กลับมาให้รู้ตัวเนี่ยที่มันขึ้นโจทย์ว่ามีอะไรที่ยังไม่รู้ส่วนมากคือไม่รู้ตัวเราที่กําลังพูดกําลังถามกําลังคิดกําลังเสาแสวงห า, หากําลังดิ้นรนอยู่ไม่รู้ตัวนี้แต่มันจะเอาตัวเราไปรู้สิ่งอื่ น, นการที่เอาตัวเราไปรู้สิ่ ง, งอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันนอกทางมันนอกเส้นทางมันไม่เป็นมรคเลยแต่ถ้ากลับมารู้ตัวเราที่กําลังถามกําลังพูดกําลังคิดกําลังสงสัย เย่างนี้แล้วก็โอ้เห็นแล้วรู้แล้วมันก็จะเห็นสิ่งเกิดดับเลยคราวนี้ยพอถามใหม่ก็รู้ใหม่พอสงสัยใหม่ก็รู้ใหม่ใช่ไหมตกลงถ้าดูดีๆเนี่ยมันเหมือนกับไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่ามันได้แต่รู้ไงครับเออพอพูดปับ๊บเอา้ามันก็ถูกรู้อีกแล้วว่าพูดตกลงไอ้ันไ อ, ไอ้ตัวไอ้ตัวที่พูดไม่ได้มันได้แต่รู้มันก็เห็นสังขารเนี่ยเดี๋ยวอยากพูดเดี๋ยวหยุดพูดเดี๋ยวอยากพู ด, ด, พดโอ้มันก็เห็นแจ้งก็จะรู้จักเองว่าใจคือ อันไหนที่เรียกว่าใจอันไหนคือที่เรียกว่าไม่ใช่ใจครับงงไหมน่าจะเกินงงครับงงแถวผมกาลังรู้ว่า <c oughs> ผมกาลัง <c oughs> พูดกับกับหลวงพ่ออยู่ฮะ <c oughs> แล้วก็มีคือมีการโต้อตอบกันอย่างเงี้ยฮะจะเห็นอย่างเงี้ยนี้ผมก็เอ้ก็อาจจะคิดว่าเอ้ยอย่างนี้เราทําอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็มันก็จะรู้ตลอดเวลาว่าเออเรากําลังมีตัวตัวรู้อยู่ตัวเห็นอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราเมื่อไหร่มันจะเอ่อเมื่อเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่มันจะหมดว่าเอ้อเรา เป็นการปฏิบัติแั้นมันจะมีที่สิ้นสุดไหมหรือมันก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของเราหรือว่ามันจะต้องมีจุดจุดหนึ่งทีว่าเออมันมันมันเบื่ออะไรเงี้ยมันไม่มีเมื่อไหร่หรอกมันมันมีแค่ว่าพอพอถามคันวาเมื่อไหร่ใช่ไหมมันก็รู้แล้วใช่ไหมครับพอรู้แล้วเนี่ยคือถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเขาเขาสอนเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งที่กําลังปรากฏใช่ไหมครับเออพอถามว่าแล้วผมจะปฏิบัตินานเมื่อไหร่เนี่ยมันมันมันเกิดเกิดคําถามเกิดความคิดเกิดก็เรียกว่ามีความเกิดมีความปรากฏเกิดขึ้นนแล้วะ แล้วขนาเดียวกันก็มีการรู้ว่ามีการถามแบบนี้การที่รู้ว่าถามแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไอตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันมันมีมันปรากฏแล้วมันมันรู้แล้วมันรู้แล้วแล้วมันก็วางเอมันก็วางในสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมพอวางสิ่งที่ถูกรู้เสร็จแล้วถ้ากับว่าหลุดหลุดเสร็จแล้วมันก็เอาเดี๋ยวก็มีสิ่งอย่างอย่างอื่นเกิดมาให้รู้อีกพอรู้เสร็จแล้วใจมันก็รู้เสร็แล้วมันก็วางอีกเนี่ยก็เรียกว่ารู้แล้ววางรู้แล้ววางไงมัน ไม่คงที่มันจะวางรู้วางรู้เรื่อยๆก็เะรู้ั่วเพราะว่ามันมันจบก็ตรงที่รู้แล้ววางไงรู้แล้ววางคืออะไรอย่างนี้ยเป็นปัจจุบันขนาดใช่ไหมฮะขณะดหนึ่งขนาดหนึ่งเป็นเป็นขณะขนาดขนาดอะไรเงี้ยหลวงพ่อครับถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันแค่ขนาดเดียวเท่านั้นแหละสั้นขนาดขนาอย่างเงี้อย่างเี้เวลาเวลาจะใกล้ตายก็ขนาดนั้นใช่ไหมฮะหลวงพ่อครับผมคิดคิดเองนะฮะก็เหมือนกันแต ขนาเดียวหมดแหละขณะเดียวสั้นจิกเดียวจิกเดียวจิกเดียวแล้วก็ผ่านคือสิ่งที่ปรากฏนี่นะสิ่งที่เกิดสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันแค่ขณะเดียวแล้วก็รับรู้ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ตกเป็นอดีตหมดเลยคือมันดับหมดเลยเนี่ยลองสังเกตเสียงที่ได้ยินเนี่ยได้ยินเป็นขนาดใช่ไหมพอได้ยินแล้วมันหมดเนี่ยแล้วก็ได้ยินใหม่แล้วก็หมดได้ยินใหม่แล้วก็หมดครับถูกไหมล่ะมันมีแต่หมดอย่างอื่นก็หมดมีอะไรก็ทุกอย่างเนี่ยมันมีแล้วหมด เพียงแต่ว่าบางทีสติมันไม่ไวคือไม่เห็นความหมดของมันเนอะนึกว่ามันยังมีอยู่แต่ความจริงอะมันหมดไปแล้วเกิดมัน<ม>ก็เป็นความจำนะฮะสัญญาถ้าถ้าจาความจําเนี่ยมันยังไม่ใช่ความจริงความจําคือเคยเห็นเคยพบมาแล้วจําได้แล้วก็เอามาเอามาจําแล้วนึกว่ารู้ไอ้ตรงเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยคนส่วนมากไปมีประสบการณ์เนาะเคยพบเคยเห็นอะไรมาเยอะแยะแล้วสิ่งนั้นน่ยมันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วแต่ ความจำได้เนี่ยมันมันนึกได้เป็นช่วงเนีะฮะบางทีมันจําได้แล้วก็ออกมาพูดออกมาเล่าแต่สิ่งที่ออกมาพูดมาเล่าเนี่ยจริ ง, ร ง, รงๆงมันไม่มีแล้วไม่มีในสิ่งที่เราพูดถึงหรอกอแต่เ น, นี้อนการจาได้หลวงพ่ออย่งการฝึกสมาธิชาเนี่ยมันก็เป็นความจําใช่ไหมฮะอัวมันก็เป็นมันก็เป็นความจําอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะยังไงอาจารยานฌานฮะยานนะฮะยานยานแปลว่าอะไรอ่ะยานแปลว่ารู้ใช่ไหม ใช่ใช่ฮะเออยานนี้แปลว่ารู้รู้เนี่ยคือรู้รู้ด้วยยานคือรู้ปัจจุบันขนาดที่มีอะไรปรากฏขึ้นแล้วรู้เนี่ยที่ว่ายานเนี่ยก็เท่ากับว่ารู้ในปัจจุบันยานเนี่ยไม่ใช่จำาชฮะจำไม่ใช่ยานจึง พอดีพูดถึงนี่ผมก็นึกถึงการการปฏิบัติพวกชาติกันยานอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างนั้นพวกนั้นชานก็เป็นความจําอย่างว่าชา1ชา2อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความจําอย่างหนึ่งมันเป็นมันก็เปไม่ใช่มันไม่ใช่ปัจจุบันขนะดคือมันเป็นเหมือนกับว่าลําดับของของชาดเนี่ยเหมือนกับว่ามันไปรับรู้อะไรแล้วก็มันมีรับรู้แล้วเป็นเป็นคือผ่านการรับรู้แล้วเนาะแล้วก็ตอนหลังมันก็เป็นสัญญาคือจําได้ว่า เอออะไรผ่านมาบ้างยานหนึ่งสองสามนี่มันเป็นเรื่องของสัญญาคือมันเปรียบเทียบได้นี่ว่าเอออันนี้ผ่านแล้วแหละแต่สิ่งพวกเนี้ยเอาเป็นว่าเนี่ยกลับมารู้ตัวเราที่กําลังถามกําลังพูดเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเออถามเสร็จแล้วมันก็ดับไปถามเสร็จแล้วมันก็ดับไปบเนี่ยเห็นตัวเราเห็นความดับเห็นค ว, ความเกิดความดับเนาะสุดท้าย<ช>เนี่ยได้แต่เห็นเดี๋ยวมันก็เป็นยานเอ ง, เองแหละใช่ใชเออ <ผม S 2> เป็นยานก็คือใจนี่แหละมันเป็นยานคือใจเนี่ยยานคือมันยานใจเนี่ยคือ เป็นธรรมชาติรู้รู้ก็เป็นญาณญาณก็คือใจเป็นญาณไปแล้วก็ได้แต่รู้ปัจจุบันบปัจจุบันยังง่ายที่สุดแล้วปัจจุบันเนี่ยนะถ้าถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปถ้าถ้าเราเอาตัวเราไปไ ป, ไปถามนะเนี่ย ม, มันมีตัวเราใช่ไหมล่ะใช่ตัวเรารเป็นผู้ถามเนี่ยมันมีตัวเราร้อยเปอร์เซนต์ไงแตต้องกลับมามารู้ตัวเราเสียเพื่อให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นแค่สังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตัวเราเนี่ยเห็มามองดูดีๆดีมันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายใช่ไหมยึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับมาเห็นตัวเราพอเห็นตัวเราจริงๆก็คือสังขารนั่นแหละเท่ากับว่าเห็นสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเราก็ทิ้งคือปล่อยไม่ยึดถือเอฮถ้าเห็นตัวเรารู้แจ้งรู้ว่ามันมีอยู่แต่ก็ไม่ยึดถือมันก็พ้นทุกข์เอออนี่ยกลับมารู้ตรงเนี้ยมันเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ย โอ้ยเอาตัวเราไปรู้เนี่ยนานมากเลยอะต้างรู้ว่าเราต้องรู้ตัวเร า, อ, รเราอย่าเอาตัวเราไปรู้โอแบบตอบโจทย์ได้ฮะอันนี้อันนี้เขาเคลียร์มากเลยครับแล้วหลวงพ่อครับ<อ>เข้าใจเข้าใจมากมากเลยว่าอ <laughs> สมบัติแล้วก็เกิดความสงสยัยนะฮะแต่นี้มันต้องเป็นงนี้นะอย่างหลวงพ่ออย่างนี้พูดถึงว่ารู้ปัจจุบันขณะนี้ขณะ น, นี้แล้วก็รู้ฮะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อีตัวมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งมีใจนะฮะใช่ไหมฮะ รู้<ช>ล<ช> ร, ๆๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเลยแต่รู้ของเราคือรู้ปัจจุบันขณะขณะขณ ะ, ขณะทีทละขณะนับนับสังกัดนงกขอบพระคุณมากๆเลยครับคนคนที่ปฏิบัติธรรมมานานแล้วเนาะล อ, ลองลองลองพิจารณาดูตัวเองโดยภาพรวมนะว่าที่ปฏิบัติเนี่ยมันยังมีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติไหมหรือว่าเวลาฟังธรรม มันมีตัวเราเป็นผู้ฟังธรรมไหมตรงเนี้ต้องต้องอ่านให้ออกถ้าอ่านไม่ออกเนี่ยมันถ้ากับว่าไม่รู้มันไม่รู้ตัวเราแต่ถ้าอ่านออกก็จะรู้เลยว่าอ๋อลึกๆเนี่ยเออมันก็ยังมีตัวเราอยู่นะเนี่ยยังมีตัวเราเพราะว่าการฟังธรรมะก็ดีการอะไรก็ดีมันก็ยังทําเพื่อเพื่อประโยชน์ของตัวเราอยู่แต่ถ้ามันไม่มีตัวเราจริงๆอ่ะมันมันก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเราใช่ไหมมันมีแต่ ก, กิริยามีแต่ ก, กิริยาการเคลื่อนไหวมีแต่ ปาซึ่งเป็นเป็นขันห้าทำงานอย่างปกติแต่ลึกๆอะ่ะเนี่ยที่เรามีการสอบถามเมื่อกี้ที่คุยเนี่ยนี่มันเพื่อประโยชน์ของตัวเราทั้งหมดเลยอะ่ะเป็นตัวเราก็ยังมีอยู่